198. อปปะวิลายณะนวกะว่าด้วยการดอกกระถินเพราะหวังได้ส่วนจีวอน 9. กรณี 321. ภิกษุกรานกระถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไปแต่ยังหวังได้ส่วนจีวอนพวกภิกษุถามภิกษุนั้นผู้ไปสู่ทิศแล้วว่า ท่านจำพรรษาที่ไหนส่วนจีวรของท่านอยู่ที่ไหนภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมจำพรรษาในอาวาสโน้นส่วนจีวรก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปนําจีวรนั้นมาพวกเราจะทําจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุนั้นกลับไปยังอาวาสนั้น แล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหนภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่านี้เป็นส่วนจีวรของท่านท่านจะไปไหนภิกษุนั้นจึงตอบอย่างนี้ว่าผมจะไปอาวาสโน้นภิกษุในที่นั้นจะทำจีวรให้ผมภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่าน อย่าไปเลยพวกเราจะทำจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ทำจีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรนั้นการดอกกถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรารกรถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไป ละมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะไม่ให้ทาจีวร น, นี้จะไม่กลับการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกรถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไปละมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ทาจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละ จะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทําอยู่นั้นเกิดเสียหายการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยผ้าเสียหาย322รภิกษุกรานกะถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไปแต่ยังหวังได้ส่วนจีวรพวกภิกษุถามภิกษุนั้น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 กลับไปยังอาวาสนั้นแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหนภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่านี้เป็นส่วนจีวรของท่านภิกษุนั้นจึงถือเอาจีวร น, นั้นไปยังอาวาสนั้นระหว่างทางพวกภิกษุถามภิกษุนั้นว่า ท่านจะไปไหนภิกษุนั้นจึงตอบว่าผมจะไปอาวาสโน้นภิกษุในที่นั้นจะทําจีวรให้ผมภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าไปเลยพวกเราจะทําจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุนั้นคิดว่าเราจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับ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 ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมจําพรรษาในอาวาสโ น, น้นส่วนจีวรก็อยู่ที่โน้นเหมือนกันพวกภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปนําจีวร น, นั้นมาพวกเราจะทําจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุนั้นกลับไปยังอาวาสนั้นแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหนภิกษุเหล่านั้นตอบว่านี้เป็นส่วนจีวรของท่านภิกษุนั้นจึงถือเอาจีวรนั้นไปยังอาวาดนั้นระหว่างทางพวกภิกษุถามภิกษุนั้นว่าท่านจะไปไหนภิกษุนั้นจึงตอบอย่างนี้ว่าผมจะไปอาวาดโน้น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 ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่านี้เป็นส่วนจีวรของท่านภิกษุนั้นจึงถือเอาจีวรนั้นไปยังอาวาสนั้นระหว่างทางพวกภิกษุถามภิกษุนั้นว่าท่านจะไปไหนภิกษุนั้นจึงตอบอย่างนี้ว่าผมจะไปอาวาสน่น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 จีวรที่พิสุนั้นให้ทาอยู่นั้นเกิดเสียหายการเดาะกระถินของพิสุชื่อว่ากาหนดด้วยผ้าเสียหาย2องิกสุกรารกระถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไปแต่ยังหวังได้ส่วนของจีวรพวกภิสุถามพิสุนั้นผู้ไปสู่ทิศแล้วว่า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 จะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้นการเดาะ ก, กระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกราญกรถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศจึงหลีกไปละมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะไม่ให้ทําจีวร น, นี้จะไม่กลับ การเดาะกะถินของพิสษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจพิกสุกรากระถินแล้วต้องการจะไปสู่ทิศละมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรนั้นจีวรที่พิสษุนนั้ น, น, น, นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหาย การเดาะกถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายอปะวิลายณะนวกะจบ